พระธรรมเทศนาแผ่นที่92ลำดับที่25โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านนาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่30มิถุนายน2559มีชื่อเรื่องว่าย่าเฮินห่างจากธรรมคำสอน วันนี้เป็นวันที่30มิถุนายนพุทธศักราช2559วันที่สนะครัทัายาติโยมเจ้าภาพเสียอ๋อกับพวกคณะญาติจะมามอบอาคารศาลาพักศพพร้อมกับพระพุทธรูปที่ศาลาป่าช้าขอให้พวกเรา โยมวัดทั้งหลายบอกบอกต่อๆกันโยมชาวบ้านทั้งสองสามหมู่บ้านติดๆมามารับพร้อมหน้าพร้อมตากันตอนบ่ายโมงประมาณจักตอนบ่ายของวันที่สามนะและก็พร้อมกันให้พระไปช่วยช่วยดูความเรียบร้อยทั้งศาลาใหม่ศาลาเก่านั่นแหละ จะลาเก่าก็ดูทาสงทาสีอะไรก็ให้เรียบร้อยให้ดูให้เรียบร้อยนะ่ะพูดง่ายๆแล้วก็บริเวณก็ช่วยๆกันดูเอากูบาร์ไปช่วยกันทําความสะอาดไปกลางตง้งกลางเต้นอะไรสักตัวสองตัวก็ได้เผื่อเลี้ยงน้ำํำ ค, คนมากับเพื่อให้มีน้ำนํำดื่มน้ํากิน คงจะทําแบบเรียบง่ายนะนะคงจะไม่ยากเพราะมาตอนบ่ายแล้วก็คงจะมาถึงแล้วก็คงจะพระสงฆ์นั่งประจํำที่แล้วก็คงจะกล่าว <c> ไ <oughs> หวพระสมาทานสนิแล้วก็คงจะกล่าวคําถวายศ า, าราวันนั้นให้พวกเราตเตรียมพร้อมไว้เหมือนกันนะั่นแหละกล่าวเรื่องหนังสือกล่าวคําถวายก็ให้ดูๆเอาไว้ แล้วก็พวกเต็นพวกน้ำแล้วก็ครูบาทั้งหลายไปช่วยๆ่วยการทำความสะอาดวันที่ไม่ยากหรอกวันที่สามแล้วก็รู้สึกว่าในช่วงนี้รู้สึกว่าพี่น้องประชาชนศรัทธาญาติโยมจวนจะเข้าพรรษามาลุมมาตุ่มพอสมควรนะห้ช่วยช่วยกันพกพระ ตังในครัวก็เหมือนกันนะ่ะมันไม่ใช่หนักตลอดไปหรอกมันหนักช่วงการเวลาเวลาไหนควรมันหนักเวลาไหนมันเบาก็ไม่ใช่ว่าจะเบาตลอดไปก็ไม่ใช่จะว่าจะหนักตลอดไปก็คงจะไม่อย่างนั้นอีกเหมือนกันในช่วงที่มันหนักเราก็ต้องรู้ช่วยกันแบกช่วยกันทาหน้าที่ จะไปโยนให้ผู้ใดใครผู้หนึ่งไม่ได้วัดนี่ไม่ใช่วัดของผู้หนึ่งผู้ใดเป็นวัดของพวกเราทุกคนนะเป็นแหล่งบําเพ็ญคุณงามความดีเป็นแหล่งบําเพ็ญบุญกุศลเป็นสถานที่สร้างบุญสร้างกุศลเข้าสู่จิตใจของพวกเราในเมื่อสร้างแนละ้วต่างคนก็ต่างไป ห, หลวงพ่อที่เป็นหัวหน้าทุกพ่อก็ไม่อยู่เหมือนกันนะลูกหลานนะ หลวงพ่อก็จะไปอีกเหมือนกันเพราะนั้นจึงไม่ใช่วัดหลวงพ่อเป็นสถานที่พวกเรามารวมมาร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างคุณงามความดีอันไหนคือดีพวกเราก็สร้างความดีเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจนี่แหละที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวนะั่นท้งนรวนแล้วจะเป็นคุณงามความดีทั้งนั้นแหละสาธารณะประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ผู้ใดใครผู้หนึ่ง สาธารณเป็นประโยชน์ของทุกคนประโยชน์ร่วมกันเพราะนั้นก็นจะให้รักษารักษาผลประโยชน์ร่วมร่วมกันทั้งฝ่ายพระด้วยทั้งฝ่ายศรัทธาญาติโยมด้วยอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็เป็นวันเข้าพรรษานะนะวกพระก่อ อย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงพ่อก็ได้ไปชุมพระนะเมื่อคืนนะสวยกันดูเรื่องวัดวาศาสานาตลอดถึงพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันช่วยๆกันเราพวกเราก็ผ่านมาเปรนโกี่ปีแล้วละ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราผ่านมาแล้วการงานเราผ่านมาแล้วอันไหน ปฏิบัติอย่างไรมากน้อยแค่ไหนอย่างไรแตนะ่ว่าพวกเราอายุแก่มากอายุไม่จะดวกเราก็ต้องรู้อันไหนควรที่จะทำได้เราก็รู้นะแต่ไม่ใช่เราจะถอยทุกอย่างไม่ใ่นะเรื่องถอยใช่เรื่องการงา น, นถอยแต่จิตใจของเราจะไปถอยไม่ได้ เรื่องบำเพ็ญคุณงามความดีตดนั้นะถ้าไปถอยจุดนั้นหันหลังเข้าครองเรือล่มบัตรจอดตาบอดเมื่อแก่ไม่ดีแต่มันก็ต้องตาบอดเมื่อแก่มันก็ธรรมดาคนแก่มันก็มีส่วนแต่ถึงยังไงก็ตามเราอย่าให้ล่มจมเ ส, เสียท่าเสียที เราจะไปมองทางด้านวัตถุมากมากกว่าคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอย่างนั้นไม่น่าจะถูกเรื่องทางโลกก็คือเรื่องทางโลกลเรื่องศีลเรื่องธรรมเรื่องบุญกุศลมันเรื่องจิตใจของพวกเราอันนั้นอย่าได้ห่างเหินเราอยู่นัสถานที่ใดก็ตามถึงจะไม่ได้ไปวัดไปวาศ แต่ว่าเราต้องเข้มงวดขวดขันกับตนเองแต่มันก็อีกอย่างว่าเหมือนกันถ้าพวกเราห่างเหินจากวัดใจของเราถลําไปทางกิเลสเหมือนกันไหลลงไปทางต่ำโดยมากหนักไปทางโลภโกรธหลงกับลูกกับร้านกับการกับงานซึ่ิงไม่เป็นเรื่องเรื่องไม่เป็นเรื่องออมันจะไหลไปในทางนั้นเพราะนั้นให้พวกเรา พยายามฝืนพยายามฟิตตัวไว้อยู่เสมอประกอบคุณงามความดีให้มีกฎกติกาแล้วให้มเีเครื่องอะไรอยู่ในจิตใจของเราให้มีเปลกในจิตใจของเรามองคุณงามความดีไว้อยู่เสมอแต่ละวันแต่ละวันแต่ละเวลาแต่ละอาทิตย์แต่ละเดือน ถ้าว่าเราห่างเหินจุดไหนเราคนต้องมองดูไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของเราเองตัวของเรานะ่ะรู้อว่าเราห่างเหินจากคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมมากน้อยแค่ไหนใจของเราเป็นยังไงขณะนี้มันไหลไปทางโลกมากใช่ไหมไปทางกิเลสโลภโกรหลงใช่ไหยไปด้วยความอยากใช่ไหมเราจะอยากจะอยู่ในโลก คิดว่าจะตายไม่เป็นอย่างนั้นใช่ไหมสิ่งเหล่านี้เราต้องสอนตัวแต่สอนเสร็จแล้วก็นั้นฟิตตัวเองตัวประกอบคุณงามความดีสังสมบุญกุศลเรานะจะตั้งอยู่ในความประมาทนะเรานะแต่ถ้าว่าเราอยู่นักสถานที่ใดไม่ตั้งอยู่ในความประมานะทันดีเท่านั้นแหละกนัต ถ, า, ถายาจยูแต่โดยมากถ้าว่าไม่มาวัดในโดยมากมันจะทะเลทลายเทนั้นเอง ถ้ า, าว่าไม่มาวัดแนตะ่ยังเข้มงวดโกรธขันอยู่ไม่ว่ากันแปลว่าผู้นั้นตั้งหลักได้แล้วเป็นผู้มีกฎเกณฑ์แล้วเป็นผู้มีหลักแล้วเนะยมีหลักในจิตใจแล้วนะถ้าหากว่ายังไม่มีหลักในจิตใจทนะะเลทลัยน ะ, เ, ะเมื่อทะเลทลนะัยไปตกต่ะไหลไปทางต่ำอยู่เรื่อยๆโดยมากมันมีแต่เรื่อง เ, อเรื่องลาบเรื่องยศไปแล้วเั้น เรื่องโลภโหมโมโกณะไปเล่ยเรื่องกิเลสเรื่องกิเลสโลภโลภโกรธหลงมันไปทางต่ำาให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเนาะพยายามฝึกฝืน ฝ, ฝึกตัวเองปรับปรุงแก้ไขกายวาจายใจของตนเองให้เราประกอบแต่คุณงามความดีพยายามมองสูงไว้อยู่เสมอ อย่าไปมองต่ำถ้ามองแต่ต่มไม่กินต่ำมันไม่ต้องมองหรอกมองสูงไวนะ้นอมองพ่อแม่ครูบาอาจารย์มองผู้มองพระพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์สาวกเอมองผู้ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละมองท่านเหล่านั้นเป็นตัวอย่างไอ้เรื่องคนต่ำๆนั้นเราไม่ต้องมองเพือพ่อเผยใจของเรามันจะ ถล่มลงไปอยู่แล้วถ้ามองสูงไว้จะดีนะพวกเรานะถ้ามองครูบาอาจารย์ไว้น้องมองปฏิปทาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เอาไว้สิ่งไหนที่เป็นทางที่ดีเราฝืนฝืนจิตฝืนใจของเราสู้กับกิเลสไฟต่ำํำโดยมากมันจะกิเลสไฟต่ํามันจะดึงหลากลงไปเรื่อยๆนะลูกพวกลูกหลานนะพระเนร น, นะ ถึงยังไงยังไงก็นั้นนะฟังธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์ฟังธรรมเทศนาขององค์หลวงตานั่นแหละเป็นกระจกเงาเอาไว้อย่าอย่าห่างเหินว่าเราเราขาดเราห่างนะเราห่างครูบาอาจารย์เราห่างจากพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแต่ว่าเรา มีแต่เราจะสนใจหรือไม่เราจะหันหลังให้หรือไม่เราจะใส่ใจมากน้อยขนาดไหนหรือไม่เท่านั้นถ้าเราใส่ใจเราสนใจธรรมะเนี่ยไม่ได้อยู่ใกลจากพวกเราเลยที่เราจะได้ยินได้ฟังที่เราจะได้ศึกษาเพียงแต่ว่าเราจะศึกษาหรือไม่ เราจะศึกษาเราจะใส่ใจในการศึกษาหรือไม่มันเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราใฝ่ในการศึกษาเรียนรูนะ้สถานีวิทยุของหลวงตาหลวงพ่อเขาไปศึกษาจากองค์หลวงตาเนี่ยฟังธรรมเทศนาที่เราฟังกลางคืนทุกวัน น, ะนั่นแหละอาจมาจากคราวน้องอัดสมัยหลวงพ่อยังอยู่กับท่านนะั่นแหะท่านอบรมพระกันนนะ บางทีกันดุดาว่ากล่าวบ้างบางทีกันดีบ้างบางทีก็มีชั้นเชิงเล่เหลี่ยมเรื่องกิเลสโดยมากหลวงตามีแต่เรื่องกิเลสกิเลสเป็นส่วนมากนะอ่พอท่านในใจของท่านะมันกิเลสมันดึงไปฝ่ยต่ำํำธรรมมันดึงฝ่ายสูงท่านก็เลยชี้นิ้วไปทางตัวกิเลสธรรมเทศนาของหลวงตามีแต่เรื่องกิเลส แต่พวกเราฟังฟังดูแล้วครับเนี่ยมันแยกไม่ออกมันตั้งเหมือนกันนะเนี่ยมันแยกไม่ออกแต่เมื่อเราฟังไปน า, นานฟังไปนานๆหลายครั้งต่อหลายหนจนฟังจนเข้าใจจนชำนิชำนาญเราจะฟังดูแล้วอธรรมะของดวงตาเนี่ยเป็นธรรมะที่ลึกซึ้งฮะเราจะรู้ได้เเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะท่นนี่ แหมหลวงตาเนี่ยเทศเทศโอ้ลึกซึ้งจริงๆเเพราะทำไมได้พูดทางอื่นมันวิถีทางเดินของใจวิถีวิถีทางคิดของจิตใจใจของเราคิดเรื่องอะไรมันไปทางตามแล้วไปทางสูงมันดู ด, ด, ดูที่ใจเท่านั้นนะที่หลวงตาที่ท่านเทศนะหลวงพ่อพูดในฟังนะยังเอาลกยกเรื่องนั่นเรื่องนี่เรื่องการเป็นอยู่การ ดำลงชีพรู้จกชาดกอะไรแล้วมาเปรียบเทียบแต่คนก็ฟังก็ฟังดีเพราะเพราะอย่างไรเพราะมันมันมนพูดหอลอบนอกใช่ไหมแต่พอมาพูดหลอบในเท่านั้นพูดที่ไม่ได้สนใจในธรรมที่ลึกซึ้งมันมันเข้าไม่ถึงนะจ๊อ แ, แต่ถ้าว่าพวกเราใยในการศึกษาไยในการเรียนรู้ ฝ่ยในภาคประพฤติปฏิบัติแล้วเนะี่ยฟังเข้าไปเถอะธรรมเทศนาของหลวงตาเนี่ยโดนโดยมากเป็นะ ท, ท่ธรรมะที่จะทำให้จิตใจของเรา เ, เบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสเขาส่งถึงพระนิพพานทั้งนั้นน่ะธรรมะหลวงตาให้ฟังๆนะั้นลูกหลานนะที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวให้ศึกษาให้ฟังเป็นอย่างนั้นไหมนะ แต่ธรรมะหลวงพ่อเป็นธรรมะที่ปูพื้นนะวางฐานวางรากฐานปูพื้นเพื่อจะให้พวกเราได้ยึดยึดเป็นแนวทางจากนั้นก็เดินเดินขึ้นหามัชสู่มัชผลอย่างองค์หลวงตาที่ท่านได้ชี้นําชี้แนะไว้แล้วนะแต่หลวงพ่อก็พูดธรรมะที่ชี้นําชี้แนะก็มีอยู่นา น, น, าน ไม่เหมือนของหลวงตาหลวงตาเนี่ยถ้าเทศพระแล้วกับกันไหนกับกันนั้นอะ่ะที่ท่านชี้ประเด็นเข้าสู่มรรคสู่ผลมรรคผลนิพพานพูดง่ายๆน ะ, อะตอนนี้ไปรับพรในที่นะีพ้พระสงฆ์วัมดมุตนาให้พร